ไปดูแลศึกษาพร้อมกันไปทีนี้ก็จะเราทําในสิ่งที่ที่พูดและพูดในสิ่งที่ทําจะได้เข้าใจไปต่างร น, นดับเพราะส่วนหนึ่งที่นักปฏิบัติชาวพุทธเราในมูลไทยนี่ถือย่าเป็นนักรู้นักเรียนนักเขียนนักอ่านในแ ง, ง่ของเสชธรรมยเยอะแต่ว่าผู้เห็นผู้ สัมผัสผู้เข้าใจในแง่ของเสียงธรรมไม่มาก น, นี้เพราะว่าเราไม่เห็นในสีที่ทำและไม่ทำในสีที่เห็นเราไปเห็นในสีที่ไม่ทำเราไปทำในสีที่ไม่เห็นมันก็เลยสว น, ท า, น, นาทางกันมาก็หลงทางมาหลายปีพอมาศึกษาวิธีการของลพ่อเทียนก็ไม่ใช่ว่า ง่ายนะและยากเหมือนกันเพราะมันทวนกระแสะทวนกระแสะตรงทีว่ว่าเราเคยชินกับการเขียนการอ่นานการฟังแล้วก็จินตนาการไปตามนั้นซึ่งมันมันจินตนาการไปรคนละด้านเหมือนเราเห็น ค น, นล้วงมือไปในถุงนหนึ่งแล้วก็เขาก็เอามาบอกบอกวกเราว่าของที่อยู่ในถุงเนี่ยคือสิ่งนี้สิ่งนี้ตามที่เขาอธิบายว่าของที่อยู่ในถุงเนี่ยที่ผมจับเห็นเนี่ยคือสิ่งนี้เขาก็อธิบายรูปที่เห็นนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าจินตนาการตามที่เขาอธิบาย แต่พอวนหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปล่วงล่วงในถุงเขาไปดูแล้วมันก็ไม่ใช่คนละเรื่องเลยเ น, ยนะที่เขาจินตนาการตามที่เขาบอกอดังนั้นเองมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปเปิดถุงดูด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อคนที่เขาที่บายว่าสิ่งที่เขาสัมผัสได้ในถุง บางทีตัวคนสัมผัสเองก็ไม่เห็นว่าของในถุงนี่คืออะไรเหมือนกัน oh. เ, กกเขาเคยรู้ปคยเข้าวเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เขาบอกลักษณะนนไปอย่างนั้นอันนั้นเป็ในวิธีการกวาเทเรียนพูดถึงความรู้สึกตัวกู oh. จะเข้าใจมันก็ใชเวลานั้น oh. เพราะาเราไปเข้าใจความรู้สึกตัวที่เขาอธิบายตามตำรานะแล้วก็ ส่วนใหญ่คาที่บายเนี่จะเป็นภาษาเป็นภาษาบาลีแต่พอแปลมาเป็นภาษาไทยก็ยังเป็นแปลไทยเป็นไทยอยู่ก็ยังไม่ออกอยู่ดีนั่นเองที่มายกตัวอย่างเมื่อตอนกังวันนี่ว่าเอามาใช้ค็ว่าเวทนาจนติดปากเพราะเข้าใจว่าคนฟังก็ต้องพูดถึงเวทนาคนฟังก็ต้องเข้าใจอย่างที่เราคิดน่ แต่เราหารู้ไม่ว่าชาวบา้านเขาเข้าใจเวทนาในความหมายไหนโอ้คนนี้น่าเวทนาสิ่งที่เขาพูดหมายความหมายไหนเพราะว่าคนนี้น่าเวทนาจังเลยคุณเตนกล้าเขาหมายความว่าไงน่าสงสารใชซึ่งมันคนเราความหมายเ ข, า, ยขาเวทนาที่เราเรารู้สึกเนี่ยวเวทนาที่ในแ ง, ง, ง่ของการปฏิบัติคือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึง เวทนาเหลนี้แต่เวทนาที่เราฟังก็คือหน้าสงสารหน้าเห็นใจอะไรไปทํานองนั้นนาเวทนาเห็นไหมลักษณะเนี่ยมันก็เยอะดังนั้นเองแม้แต่ ม, มาเองเมื่อเข้าใจสีนี้แล้วคนนอาอธิบายก็อธิบายตามภาษาของเขาปรากฏว่า ค, คุณฟังก็ไม่เข้าใจเหมืนอนกันอมาก็เอ๊แ้ก็พูดว่ามันถูกแล้วนะแต่ทํำไมคุณฟังไม่เข้าใจ เพราะภาษาที่เราใช้ยังเป็นภาษาเดิมที่เราเคยใช้ถึงแม้ว่าสิ่งเที่ยวสัมผัสเป็นของใหม่ก็จริงแต่ยังใช้ภาษาเดิมนี่คือภาษาเอามาทํามาหลายปียี่สิบสามสิบปีก็พึงมาเห็นเข้าใจลักษณะอาการนี้เร็วๆเนี่ยหลังจากทํางานมาแล้วพอเราพ่ออธิบายสิ่งนี้ว่าเข้าใจไหมเนี่ยแล้วว่าเขาเข้าใจแต่เวลาเขาไปทําแล้วเขาทำไม่ไม่เป็นน่ะแสดงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูด ก็เลยพยายามใหม่ที่นี่นอย่างเอาภาษาที่ที่เข้าใจกันได้เนะี่ยโดยเฉพาะหลวงพ่อเทียนท่านไม่มีหลักบริยัติท่านไม่ได้จําหนึ่งว่ห า, า, าหลีภาษาบาลีมามกๆท่านก็พูดไปตามสภาวะที่ท่านเห็นแต่ก็พูดด้วยใจนะมันก็เลยเข้าใจได้ง่ายในภาษาหลวงพ่อเทียนคนโทกนี้รับฟังเฮ้ยมันทํำไมมันง่ายอย่างนี้ภาษา แล้วบางคนบอกว่ามันง่ายเกินไปกับไม่ค่อยไว้ใจอีกว่าเอ๊ะทำไมมันง่ายอย่างนี้เราฟังจากว่าจารย์อื่นไม่ใช่ง่ายง่ายอย่างนี้อันนี้พรมันง่ายมันยากอยู่ที่ภาษามันไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากอยู่ที่สภาวะนี่ปัญหาอุปสรรคว่าคนทั่วไปทําไมจึงเข้าใจไม่รู้แต่ว่าให้พูดได้นะแต่ว่าไปทําไม่เป็นบางคนได้สอนธรรมะมาตลอดแต่เวลาไปกระทบกระแทกอะไรเนี่ย อารมณ์บิดเบี้ยวไปเลยนะหรือใจไม่ปกติไปเลยนะดังนั้นเองอันนี้ก็เป็นที่สูดว่าเราเรารู้รู้จรู้จักแต่ไม่รู้แจง้งไม่รู้จริงดัานั้นเองก็อยากจะให้พวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้ลองดูใหม่นะมาก็จะพยายาม ลงในละเอียดที่ที่เราทำอะ่ะกลางวันเราพูดถึงเรื่องว่ากลุ่มแรกที่ยังไม่ยังไม่มีพื้นฐานเมื่อเคยเข้าค้ดมาก่อนก็เลยให้ท่านเอกยุทธ์ได้เอกวุฒิอธิบายถึงกายานุปัสสนาให้เข้าใจพอสมควรส่วนกลุ่มที่เคยปฏิบัติมาค่อนข้างเยอะก็ไปมาก็ไปทำความเข้าใจเรื่องเวทนา ตามหลัสติปัฏฐานสูตรเพราะในตัวกายยาุปัสณนาถ้าเราเข้าใจดีๆแล้วเนี่ยมันจะท้ให้เข้าใจรูปตามความเป็นจริงเพราะในตัวกายหรือร่างกายของเราเนี่ยตามภาษากรรมฐานเรียกว่ารูปแต่คาว่ารูปนมันกว้างกว่ากายกายเป็นส่วนหนึ่งของรูป แต่คําว่ารูปนั้นมันหมายถึงหกอย่างเลยสิ่งที่เห็นก็เรียกว่ารูป <S 2> <S 2> สิ่งที่ยินก็เรียกว่ารูปสิ่งที่สูดหายใจเข้าไปก็เรียกว่ารูปสิ่งที่สัมผัสลิ้นก็เรียกว่ารูปสิ่งที่สัมผัสกายก็เรียกว่ารูปสิ่งที่คิดก็เรียกว่ารูปแต่พอไปแยกตามหน้าที่ของอายตนะก็เรียกว่ารูปเสียงกินลดสัมผัสอารมณแต่ถ้ารูปเสียงกินสัมผัสรูปเสียงกินลดสัมผัสอารมณ นั้นรวมก็เรียกว่ารูปเหมือนกันฉะนั้นรูปจึงความหมายกว้างกว่ากายเพราะกายเป็นส่วนหนึ่งของรูปเสียงเป็นส่วนหนึ่งของรูปรถเป็นส่วนหนึ่งของรูปเพราะฉะนั้นถ้าเรียกภาษากฎฐานถ้าเรียกภาษาว่ากายนี่คือภาษาสมุติถ้าเรียกว่ารูปนี่เป็นภาษาปรมัตร์นี่เล่มแยกให้เห็นเลยใช่ไหมรูปที่เห็น ทางตาจึงเรียกว่ารูปรูปที่เห็นได้ยินทางหูเรียกว่าเสียงสมมุติว่าเสียงรูปที่สัมผัสไ ด, ดงจมูกสมมุติว่ากลิ่นรูปที่รกระทบลิ้นสมมุติว่ารสมันจึงเป็นสมมตุติแต่พอเป็นปรมาภิมีชื่อเดียวคือรูปพอตาเห็นอย่งต้นไม้ไปสมมุติว่าต้นไม้แต่ภาษาปรมาภิคือรูปต้นไม้ก็คือรูป ดังนั้นเอง <c oughs> <c oughs> เวลาเราทําเราจึงให้เห็นเป็นรูปเย็นร้อนอนแขแข็งร่างกายก็ที่เป็นเย็นนี่ก็เป็นสมมติแต่ภาษาปรลีมันก็รูปรูปของความเย็นปวดคำว่าปวดก็เป็นสมมติแต่ความจริงคำวาปวดก็คือรูปเพราะรูปของมาการปวดเห็นไหม คือปรมาทมันมีชื่อเดียวนะอะแต่มันมาสัมผัสทางอายตนะหกก็เรียกชื่อเดียวนั่นแหละรูปในจักรวาลเนี่อะไรก็ตามที่มาสัมผัสอายตนะหกได้ก็ว่ารูปหมด <c oughs> และผู้รับรู้สัมผัสเราจะเรียกว่าสาบายไม่สาบายสุขทุกขสมุติแต่ดูความรู้สึกเหล่านี้ก็เรียกว่านามทั้งหมดไม่ได้เรียกว่าสบายไม่สบายแต่สบายไม่สบายเป็นเรสมุติเรียก แต่พอเป็นปรมัตมีชื่อเดียวคืนอนามดีใจก็เป็นสมุดเสียใจก็เป็นสมุดแต่มันก็เป็นนามอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเส็จแล้วทั้งหมดเนี่นยในโลกจักรวาลถ้าโดยสมุดเนี่ยมันไม่สามารถจะนับได้แต่ถ้าโดยปรมัตมีแค่สองอย่างสัมผัสโดยอนนายตนะทักุ เรื่กวรูปสัมผัสด้วยใจเรื่กวานามแค่นั้นเองหา น, นั้นเวลามาปฏิบัติให้ใครรู้แค่สองอย่างนี้แหละให้ทาของให้เยอะที่สุดให้เหลือสองอย่างเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยได้มารู้สิ่งที่เป็นจริงเพราะสิ่งที่เป็นจริงมันมีไม่มาก มีแค่สองอย่างคือรูปกรรนามนะถ้าหากว่าจะพูดภาษาชาวบ้านกายกับใจเนี่ยกายกับใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของรูปกรรนามน ะ, ะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่เราสมมติได้เห็นชัดๆ <c oughs> ง่ายๆ <c oughs> มันมันนึกอายกายกับใจะนะถ้าความจริงเขาว่าใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของอะไรของตาหูจมูกลินนะ้นถึงเป็นใจขึ้นมามืนมีใจอย่างเดียวไม่ได้ ใจก็ต้องว่ามีใจได้ก็ตามเห็นใจมันคิดได้ก็จกหู้มันได้ยินใจมันคิดได้จมูกได้กินใจมันคิดได้ลิ้นลิ้มรสใจมันคิดได้ก็การไม่สัมผัสก็คือมีใจและใจก็เป็นส่วนหนึ่งของนามแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่สิ่งที่มันครอบคลุมได้ทั้งหมดคือรูปกับนามเป็นแล้วเราปวดเนี่ยคําว่าปวดขาเนี่ยเป็นสมมุติว่าเป็นปรมัินี่ลืมสอบไปในตัวแล้วเนาะ ปวดขานี่เป็นสมุดหรือปรมรัตเป็นสมุตดแต่ถ้าเป็นรปรมัตเรียกว่าอะไรปวดขาอื ม, มนะเห็นไหม พอพอไปหน่อยเนี่งงเลยอันนี้ที่เมื่อก็พออย่างนี้ที่มันเรียนมันเข้าใจพอขออยับไปนิดเดียวไปไม่ถูกแล้วมันอ่าก็ลูกกับนาำก็นี่ยไงรู้สึกปวดขารู้สึกเป็นนาำขาเป็นลูกก็รู้สึกปวดขาก็รูปกับนาำรู้สึกปวดขาเป็นสมมติอแต่ว่ารูป ก, กับน้ำเป็นปรมัติษ์แค่นั้นเองอ๋อรู้สึกชอบนะเห็นไหม รู <c oughs> ้สึกชอบใจเนี่ยเป็นสมมติละแต่ถ้าหากว่ารู <c oughs> ้สึกชอบใจก็เป็นลูกกอนามแค่ น, นั้เนเองดูเหลือแค่สองอย่างพอพอเรามาดูของหลายอย่างเหลือเหลือของอย่างเดียวเนี่ยจิตมันก็ไม่ต้องไปคิดมากเลยทีเนี่เมื่อไม่คิดมากพอไปรู้อะไรเข้าไปเห็นอะไรก็อ๋อจะว่าไงจะว่าอะไรไปเห็นดอกไม้ เดี๋ยวก็จะมีดอกไม้สวยไม่สวยอีกแต่ไปเห็นดอกไม้เป็นอะไรเป็นลูกกํานัลลูกกํานัลไม่ไม่มีสวยก็ไม่สวยนะมันจบมันเห็นอะไรแล้วมันจบเรียกว่าเห็นปรมัติตเพรมันคิดต่อไปไม่ได้อแต่ถ้าเป็นดอกไม้มันเป็นสมมตินะดอกไม้สวยหรือไม่สวยอีกตรงว่าสวยต่อไปก็ชอบหรือไม่ชอบนะเดี๋ยวสวยต่อไปก็ถูกรูปแพงไปเรื่อยๆแล้วมันไม่จบ ดังนั้นเวลามาปฏิบัติกรรมฐานท่านจึงทำของมากให้เป็นของน้อยทำของน้อยให้เป็นของจริงทีนี้ของจริงหมายความว่าไงหมายเขาว่าเรา <c oughs> ให้เกิดความรู้ชนิดนี้ด้วยตัวเองแต่ถ้ามาบอกว่าอันนี้รูกกานาเดี๋ยวก็ลืมก็ลืมอ่ะใช่ไหมพอไปําใหม่ก็ลืมใหม่งงอ่ะ แต่พอโยมไปเห็นด้วยตัวเองเนะี่ยโยมจะามาจะถามพลิกแปลงไปยังที่ไหนโยมก็ไม่หลงแล้วที่เนี่ยพราะเห็นในะสิ่งนี้ได้ด้วยเองพอเห็นแล้วนี่ไปเรียกชื่อมันยังไงก็มันก็คือของเดิมเลยนะแต่สมมติวนะ่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เปลี่ยนไปงไงสมมุติว่าข้าวเวลามันมียังไม่ได้สีเรียกว่าข้าวอะไรข้าวเปลือก พอสีมาแล้วเรียกว่าข้าวสารเพราะไปหุงเลยว่าข้าวสุก <c oughs> ข้าวสวยข้าวสุกพอกินเข้าไปแล้วเรียกว่าอะไรอาหารพ อ, ร อ, พอมันออกจากท่างไปแล้วเรียกว่าอะไรเห็นไหมมันสมมติไปเรื่อยๆอย่ะนเชื้อเดียวในข้าวนะ่ยแต่มันข้าวหมดก็คืออะไรคือรูปเห็นไหม มันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเป็นเข้าเปลือกก็คือรูปเป็นอุจจาระก็คือรูปมันเองมันไม่ได้มันได้ว่าแต่พอเรารู้ขบวนการอย่างนี้มันก็เลยจิตมันเข้าใจความเป็นจริงทีนี้ประการสัมพันธ์รูปกับนามในตัวเรานดิสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้แล้วก็ตลอดเวลาด้วยแต่เรารู้จักหรือไม่รู้จักยังไม่รู้จักเช่นที่ว่า ล้วงมือไปนในย้ยกสัมผัสได้แต่หละเวลาถามว่าอะไระที่ต้องไม่รู้ไม่รู้สัมผัสไม่รู้รแต่พอเปิดยากอ้ออันนี้เองเนี่ยมันมันถึงขั้นที่ต้องเปิดดูพระพุทธเจ้าท่านจึงหน้าที่ของท่านมีสี่อย่างหนึ่งเปิดของที่ปิดสองงายของที่ค่้วสาม บอกทางแก่คนหลงทางสี่ชูแสงสว่างในที่มืดนี่หน้าที่ของวุฒิยาบีเค่นี้อย่างอื่นไม่ใช่วุติยาบุโปรมีหน้าที่สี่อย่างนันนั้นยีว่าเปิดของที่ปิดอย่างรูป ก, กับนามเนี่ยมันมันเราเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรามาตลอดพบชาติกับกัน แต่พอมาวันหนึ่งพอเรามายกมือไปยกมือมาวันนี้วันหนึ่งมันเกิดตึ้งขึ้นมานะสว่างขึ้นมาในใจโอ้อันนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราอันนั้นเป็นความคิดเอาอะคิดเป็นอย่างโน้นี้แต่พอพอจิตมันนิ่งแล้วเนี่ยมันเห็นอมันเห็นสิ่งนั้นชัดเจนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราไปยืนอยู่ข้างสระน้ํา หน้าน้าฝนมันขุนใช่ไหมเห็นน้ามันไหวๆเราวา้สรนี้ปลายุ่ดเรืนึสระปายุ่เพราะลักษณะน้ามันไหวๆแต่พอวันหนึ่งไปถึงหน้าแรงน้าในสระมันตกตะกอนมันก็ใสแต่ปรากฏในสิ่งที่ไห ว, ไว้ที่โลกปลายเยอะๆมันกลายเป็นอเต่า งูมันไม่มีปลาเลยนะแต่มันให้น้ําไหวได้เหมือนกันนี่เห็นไหมวันหนึ่งไปเห็นเข้าหมายความว่าจากใดที่จิตเรายังกับเพื่อมยังขุนอยู่เนี่ยมันจะไม่เห็นความจริงนะมันกระเพื่อมมันขุนจนเรามาสร้างจังหวะมาเดินโยงกลมมาทําสมาธิเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอาความร้อนของแสงสว่างพระที่เนี่ยสยั่งส่องลงในสระนั้นเป็นเวลานาน น้ำนั้นก็เริ่มตะกอนมันเป็นของหนักมันจะรวมตัวนะมันเป็นขี้ต้มอ่ะความจริงไอ้ตะกอนที่ขุนมันไม่ใช่น้ำมันเป็นขี้ต้มมันรวมตัวมันก็หนักก็ตกลต่นได้ฉันดีฉันใดก็ดีจิตของเราที่คนทั่วไปที่ยังไม่ได้ทำสมาธิยังไม่ได้เจริญสติเนี่ยมันไม่มีอะไรไปสากไปส่องจิตไม่มีไปมีอะไรไปอบไปบ่มไปลมจิตให้มัน เล่าร้อนเขาเราื่อไม่มีตะบะไม่มีอาตาปีแต่พอเรามานั่งเทาง่านี้มันเล่าร้อนนะเนี่ยต้องยอมอะ่ะอยู่ดีๆนอนอยู่บ้า น, นดีๆมายกมือให้ลาบากเนี่ยร้อน <c oughs> ร้อนทั้งหิวทั้งไม่สนุกเออมานั่งทํำไมมายกมือมันเป็นเรื่องอะไรอยู่บ้า น, นดีๆไม่ว่าดีมานั่งยกมือกันเนี่ย เหก็เพราะว่าเรารู้มามาทําอย่างเงี้ยอมาให้ไฟแสงสว่างมันสาดส่องน้ําอย่างเนี่ยวันหนึ่งเรารู้ว่าน้ำเราต้องตรวจก่อนถ้าเรามานั่งยกมือมาทําให้จิตใจมันรวมเข้ารวมเข้ารวมเข้ามันไปก็ดึงกลับมาไปก็ดึงกลับมาสมัยที่มาเป็นเด็กเห็นเพื่อนมันเอาไอ้เล่นวอเล่ย์บอลมาเล่นเราก็เล่นกันมันบ้าง มารวมแสงพระอาทิตย์เนี่ยนะบางวันเนี่ยรวมเล่นไปเล่นมาจากที่มันวงกว้างๆรวมไปรวมมามันรวมเข้ารวมเข้าเหลือถ้าผมไม่ขีดเนี่ยอะไรอยู่ข้างหน้ามันไหมหมดเลยนี่เห็นไหมจิตของเราเมือนกันถ้ามันสร้างกวาง้างๆอยู่มันมันรวมไม่ได้เรื่องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่พอ เรามาบาเพ็ญความเพียรมาจะเลยสติมาทำความลึกสู่ตัวมันนั่งสมาธิรวมจิตรวมไปรวมมารวมจิตที่มันคิดสราบไปต่างๆรวไปรวมันเหลือจิตเดียวตะบาพอกเรารวมเข้ามามันก็เลยไปทาให้น้ำคือใจของเราที่มันขุ่นมัวมันก็เพื่อมเลยมันตกตะกอนความคิดมันตกตะกอน ไอ้จากที่มันเคยกระเพิ่อมมันก็นิ่งจากที่มันเคยขุ่นเขี้ยวมันก็ใสพอใสแล้วก็เห็นความจริงอ๋อจิตที่มันใสใสไม่มีอะไรเราก็เห็นความคิดเกิดมันก็เห็นแล้วที่น ing, ี้ออความคิดมันไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ความคิดใจมันก็น้ำใสใสขุ่นไม่ใช่น้น้ําก็ใช่ขุน่นไอขุ่นมันคิดดงขี่เรน น้ํามันได้ก <a> ับเพื่อมที่มันกับเพื่อมมันไม่ใช่น้ําที่มันกระเพื่อมเป็นลมเป็นสัตว์มาทําให้กับเพื่อมจิตเดิมไม่ได้กับเพื่อมที่มันกับเพื่อมพราะอารมณ์มันก็ริมแยกออกแล้วทีเนี่ยมันเริ่มอ๋อเห็นจิตตัวเองเพรเห็นจิตตัวเองก็มอนมีสิ่งที่เป็นความรู้สึกแล้วสิ่งที่มากระทบเรื่อว่ารูปสิ่งที่เป็นรู้สึกเรื่องเรื่องว่าน้ำก็เลยมีสองอย่างก็เห็นรูปเห็นน้าเพราะเรานั่งเงนี้เห็นไม่รูปก็คือรู้สึกว่า หนักบ้างเบาบ้างร้อนบ้างคันบ้างใช่ไหมเห็นรูปมันแปรปวนไปตามทินที่กระทบเขาเรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างเราก็ทนได้บ้างไม่ทนทนไม่ได้ก็ปรับไปปรับไปก็รู้สึกสบายขึ้นความรู้สึกสบายขึ้นเรียกว่าอะไรความรู้สึกเรียกว่านามใช่ไหมอา่ามันเปนามแล้วก็ปรับ เอาความไม่สบายความปรับอความไม่สบายออกไปความสบายมือดีขึ้นพออยู่ได้ก็ทำอยู่อย่างนีน้ตลอดเวลาเราทําอยู่กักกบรูปกำหนามแต่เราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะยังไม่เกิดตัวตัวเห็นขึ้นมาการมาสร้างตัวเห็นนี่เขาเรียกวาทำวิปัสนาวิปัสสักปัสนะแปลว่าเห็นวิแปลว่าแจ้งต่างเห็นอย่างแฉมแจ้ ง, จงเห็นอย่างต่าง ไม่เหมือนเดิมเห็นไม่เหมือนเดิมเมื่อเดิมเห็นว่าเป็นรูปใช่ไหมัราเห็นว่าเป็นเราอันนั้นกระทบเราอันนี้กรแทกเรามาว่าเรามาด่าเรามานินทาเราวันหนึ่งพอมาเข้าใจนี้แล้วอ๋อมันไม่ใช่เรานี่เขามาว่ารูปไอ้เราก็รู้สึกเฉยเฉยพอรู้สึกเฉยเฉยมันก็เขามาถูกแต่รูป ก, กับนามไม่ได้ถูกเราแล้วทีเนี้แต่พอเราไม่ยังไม่ได้ทําพูดว่าทีไรมันถูกเราทุกทีใช่ไหม มันก็มีเขาเราที่นี่เกิดเขาขึ้นมามีเรามีเขาแต่พอเรามาปฏิบัติอย่างนี้ปั๊บอ๋อรูปที่ว่ามาเสียงเป็นอะไรเสียงเป็นรูปใช่ไหมหูเราได้ยินก็เป็นรูปอ่าแล้วเกิดความรู้สึกแล้วก็ดูความรู้สึกอย่าไปดูเป็นเรานะดูรู้สึกรู้สึกหูได้ยินเสียงแล้วปรากฏที่ไหนปรากฏที่ใจใจรู้สึก สติมันก็อยู่อยู่แค่นั้นแต่ขาสติมืัอเนี่ยรู้สึกอยากจะสวนกลับอนี้นรู้สึกไม่ชอบแลปึ้งไปเลยนี่นเห็นไหมมันกลายเป็นอะไรอ่ะสมมุติขนนึ้นทันทีเลยใช่ไหมเกิดตัวเราเราทีเนี่ยมันเกิดตัวเราตรงที่เราขาดสติไปไปเอาความรู้สึกเป็ น, นนั่นนั่นนี้แหละความรู้สึกเป็นเราเป็นเขานะมึงว่ากูกูเอามึงว่าอะไรทำนองนี้นเห็นไหมมันก็เลยเป็นเราเป็นเขา ข, ขึ้นมาเลยแต่พอเราเห็นอ๋อเขาว่ามาปั๊บ รู้สึกพอใจเมื่อเขาดูความรู้สึกเฉยๆี๋ยวความพอใจหรือความไม่พอใจก็ดับไปหรือความรู้สึกเฉยๆพอมันทดสอบบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, เ, ขาเริ่มคุ้นที่เนี่ยเริ่มคุ้นเอ้มมันดีนี่นะจิตแบบเนี้ยเขาว่ามามันเฉยๆต่อไปเดามาใครจว่าอะไรมันก็เฉยๆฟังได้นนี่มันมันเขาเรียกเห็นวิเศษวิปัสนาเห็นอย่างนี้แหละเห็นวิปัสนาแต่เมื่อก่อนมันไม่เป็นวิปัสนา มันเป็นวิปัสนาเห็นแล้วขึ้นเลยเวอร์เราได้ยินแล้วขึ้นเลยเป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนาเลยแต่พอมาทำตัวนี้เข้าเป็นวิปัสนาเห็นเห็นไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเห็นเป็นเราเป็นเขาเวลาแต่หลังจากเข้าใจเห็นเป็นรูปเป็นนามเพราะสติสัมปชัญญะเข้าไปกั้นสกัดกั้นไม่ให้เป็นเรา สติมันมาทัเพราะนั้นสติมันมีหน้าที่เข้าไปรับรู้และสกัดกั้นไม่ให้สิ่งนั้นตกไปสู่น้ำผมเพเห็นให้จะเปรียบว่าเหมือนแมวกับหนูตัวสติเหมือนแมวความคิดเหมือนหนูความรู้เหมือนแมวถ้าหากว่าในบ้านมันมีหนูเยอะเนี่ยเราจะไปได้จับมันไม่หมดทีเดียวตัวเล็กตัวนั้นมันอยู่ในซอกในมุมต่างๆทีนี้จะจะเอามันออกได้อย่างไร ก็ไปหาธรรมชาติอย่างหนึ่งที่หนูมันกลัวแล้วธรรมชาตินะั้นมันกินหนูไม่มีอะไรอื่น น, ะนอกจากแมวก็เอาแมวมาเลี้ยงไอ้ที่ไอ้ธรรมชาติมันฆ่ากันเองเอาแมวมาเลี้ยงพอแมวมาเลี้ยงแนะ้วทีนี้พอหนูออกมามก็จับกินจับกินไปเรื่อยๆนะนั่นหมายความว่าเรารู้ว่ามีความคิดและมีความทุกขนะ์นี่ยอย่าไป ทำเรื่องอื่นไม่ได้ต้องมาสร้างตัวสติสมัมมสัญปัญญาที่ถูกต้องนี่แหละเหมือนแมวพอสร้างสติที่ถูกต้องแล้วสติที่ถูกต้องมันต้องไปจัดการกับความคิดนะทํา ม, าไมัไม่จัดการกับความคิดแลอะอารมณ์ที่เข้าไปอันนั้นเป็นมิ่ฉาสติไม่ใช่สัมมาสติถ้าเป็นสัมมาสติมันจะต้องจัดการกับไอ้ตัวคิดได้เราคิดขึ้นมามีสติแต่ว่าความคิดมีสาแบบ แบ บ, giggling, แบบไหนที่สติมันจัดการแบบไหนมันไม ha ่จัดการจะเห็นว่ามันคิดเป็นเรื่องกิเลสหมดไม่ใช ouais <ah ่นะความคิดแบบที่หนึ่งเรียกว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเช่นเราเห็นนั่นเห็นน anyway, ี่เห็นเฉยเฉยเห็นแล้วก็ผ่านไม่ได้คิดเห็นเห็นดอกไม้ก็เห็นเฉยเฉยเห็นทุกบไปเห็นเฉยเฉยเห็นทุกอย่างเห็นเฉยเฉยนี่เขาเรียกว่าเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นมันผ่านเข้ามาในใจก็สักแต่ว่ารู้จบไม่ได้คิดอะไร แต่พอเผลอเข้าไปเห็นดอกไม้ไอ้ดอกไม้ของใครเอามาจากไหนดอกไม้จริงดอกไม้เทียมผ่านไหมเห็นแบบนี้ผ่านไหมไม่ผ่านนะล่องแล้วนี่นี่นนี่นนความคิดที่ผ่านมาแต่ไม่ผ่านไปมันถึงมาเป็นความคิดที่เป็นหนูนะแต่เห็นเฉยเฉยเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นหนูเพราะว่ามันไม่ได้ไปสร้างเรื่องนะถ้าหนูเข้าไปอยู่ว่านเราถ้ามไม่ กัดเข้าไปกัดของไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายนี่มั น, นทําหน้าที่ของหนูไหมไม่ได้ทําอันนั้นไม่ใช่หนูเป็นหนูที่ผิดปกตินะอันนี้ความคิดแบเพทิทีสองคือความคิดที่ผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปเรไปเห็นรูปไอ้รูปนี้สวยอย่างรูปแกะสลักได้มาจากไหนราคาเท่าไหร่ชอบไปละอนี้ติดแลงเป็นความคิดแลง ความคิดประเภทที่สองเรียกว่าสังขารความคิดประเภทที่หนึ่งเรียกว่าธรรมารมเป็นหน้าที่ของจิตไม่เป็นอันตรายไม่สติไม่ไปดูจัดการเพราะเป็นธรรมาชาติทีนี้ความคิดประเภทที่สามคิดว่าจะเอาไปใช้ามาส่งนี้ของอยไหนอ๋ออยู่ด้วยตัวเองเก็บ อันนี้เราใช้ความคิดมจูเนียเป็นผ ม, นนมนต้องคิดฮะคิดอจาต้องคิดเดใช่อเาต้องคิดพนีก็แปลไ่อวนี่คือย <laughs> คือความคิดที่ต้องใช้ใช้จบแล้วคือจบนี่ความคิดประเภทนี้เรียกว่าสติปัญญาไม่ใช่ความคิดเห็นไหย ความคิดที่ต้องใช้เราไม่เรียกว่าเป็นสังขารเรียกว่าสติปัญญาหรือสติสมติปัญญาเพราะความที่ประเภทนี้ใช้เยอะจําเป็นอ๋อเอางี้มันจะเป็นโทษตัวเมื่ อ, อไหร่ใช่ไหมอ๋อออกมาจะใช้จบอไปใช้ที่สว่างค่ะซื้อมาจากไหนครับซื้อเท่าไหร่ผมอยากได้มาดีดีดีดีปัญหามันเกิดแล้วอ่าปัญหามันเกิดแล้วเอาไปวางแล้วไม่จบ มันต้องไปหาซื้อให้ได้ไปใช้นี่ยี่ห้อนึงมีขายในเมืองไทยหรือเปล่าพ่อไปซื้อไหนมาโอ้โน่น ซ, ซื้อที่อเมริกาม น, นยี่ห้ออะไรครับผมจะได้สั่งไปยาวเลยทีนี้นี่คือความคิดที่เป็นเป็นหนูเป็นสมุทยัยเราทุกเพราะความคิดประเภทนี้เยอะใช่ไหมคือใช้แล้วไม่ปล่อยขอเขาเรียกไม่ปล่อยวางอันนี้ถ้าเอามาใช้เสร็จแล้วมาว่าคาคือเงี้ยนะไม่ปล่อยวางเอานี้มาให้หน่อยสิก็ไม่ปล่อยเอาหนึ่มาอีกนีไม่มีถือแล้วทีเนี้ ยุ่งเลยนี่เอาอันนั้นมาให้หน่อยเอาอันนี้ก็อันนั้นก็จะเอาหน่มันไม่ปล่อยอันนี้ไม่วางอันนี้แล้วไม่จะจับสิ่งอื่นได้ไงมันไม่ได้นี่เขาเรียกว่าความคิดประเภทนี้เรียกว่าสมูทัยของทุก น, นะความคิดที่เป็นสมูทัยของทุก ค, คือสังขาร น, นะดังนัความคิดมีสามประเภทหนึ่งความคิดที่เป็นธรรมรมณ์คือความคิดที่อยายัดหน้าหน้าที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป หูได้ยินถ้ามันได้ยินแล้วมาให้มันรู้เรื่องเสียงเนี่ยมันปกติไหมผิดปกติใช่ไหมตามันเห็นรูปแล้วมาให้มันรู้เรื่องรูปเนี่ยมันผิดปกติหูได้ยินเสียงกินแล้วเวลาไปชิมไปทานอาหารไม่รู้เรื่องลดว่าลอะไรเนี่ยมันผิดมันปกติไหมการที่อายาดัดทา้านของตาหูจมูกลิ้นก๊สใจทําหน้าที่ว่ารู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยเ <S end ong> ขาเรียกว่าทำมมารุมอายาดัดธทําหน้าที่ไม่ใช่ความคิด แต่ถ้าหากว่ามันทำหน้าที่แล้วมันมันคลองทีนี่ไปฟังเสียงเอเสียงน้ำไหลมันก็จินตนาการถึงน้ำเลยใช่ไหมไน้ำไปแล้วีมันไปคลองตรงนั้นเมื่อกเกิดจินตนาการถ้ารู้เสียงน้าไหลจบไม่ไปจินตนาการต่อนั่นก็คือมันทำหน้าที่เรียกว่าทำมาลงอะไรก็ตามที่ปรากฏในจิตจะว่าเป็นความคิดหมดไม่ได้อ่ามันเป็น ธรรมารู์อันที่สองมันเป็นสังขารคือผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปข้องอันที่สามความคิดที่ใช้แล้วจบแต่ใช้แล้วไม่จบนั่นไม่ถึงจะเป็นสังขารเป็นสมุทยัยใช้แล้วคิดต่อทํางานชิ้นนี้แล้วเนี่ยเป็นนอนมือการเน้าผักนีจะเอาไงดีว่าการที่เลือกมาจบไปแล้วเนี่ยเอาไ้ดีกำไรายขาดทุนงานนี้เราจะเอาไงมาเพิ่มมาเติมนั่นคือสมุทยัย ทำงานจบแล้วคือจบวันใหม่ก็ไปคิดกันใหม่ตอนที่ทํานั่นแหละพอคีดจบแล้วก็จิตก็ว่างกลับบ้า น, บานสบายทำไมจำเปอันนี้อโอ้โหจิตอยู่ที่นู่นอยู่งานนะั่นน่ลดกลับบ้านก็ไม่มีความสุแล้วเพรจิตไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่คือความคิดประเภทหนูนี่คือสมุทัยให้เกิดทุกข์ ดังนั้นตัวสติจึงจําเป็นมากๆตาบใดที่เรายังมีความคิดประเภทนี้อยู่เนยะเยอะเนี่ยต้องฝึกตัวนี้มาเพราะตัวนี้เท่านั้นที่จะไปจับเพราะนการฝึกสติต้องเป็นสัมมาสตนะิความรู้สึกตัวที่ถูกต้องเอาม า, าใช้สัมมาสติจะคุ้นปากเ น, น, นะแต่การทำอยู่เข้าใจไหมไม่เคยได้ยินแลยครับส์นีมนะันแต่ามาก็าใช้เฉยเลยนะอันนี้มันคือยากที่คําว่าสัมมาสติคือความรู้สึกที่ถูกต้อง ความรู้สึกที่ต้องคือรู้อะไรรู้รู้สึกที่กายถ้าไปรู้ทั้งอื่นไม่ถูกนะรู้เข้ามาที่กายนี่ถูกอย่างขาโมยก้าโจร น, นะถามว่าสติปัญญาเขาดีไหมดีอยู่แล้วเราอีกถ้าไม่ดีกว่าเราขาโมยของมาได้ไงใช่ไหมเราเราไปขโมยชิ้นได้มาโอ้โหโดนจับจนได้ะไม่มีสติในการไม่มีสติปัญญาในการขาโมย เพราะเขาจับได้แต่ขโมยมันฉลาดมากๆแลยมีสตินิมากขนาดเข้าบ้านไปเอาของออกมาได้โดยเจ้าของบ้านไม่รู้เลยมันต้องสติมันดีมากเลยแต่ถามว่าเป็นมิจฉาสติหรือสมารสติอ่าเป็นมิจฉาสติเพราะมันสติรับใช้ความอยากในความโลภเห็นไหมแล้วไอ้คนหนึ่งมันวางแผนฆ่าคนชนิดที่กฎหมายจับไม่ได้เลยนะกฎหมายเอาผิดไม่ได้เลยซับซ้อนมาก ค่าคนได้สาเร็จเหมือนกันเขาใช้อะไรใช้สติปัญญาที่ดีมากเลยใช่ั้ยแต่เป็นสติปัญญาที่รับใช้อะไรรับใช้ความโกรธนะรับใช้ความโกรธแล้วเราก็หาสิ่งที่เราชอบมาจนได้อะไรที่เราชอบในบ้านของเต้มเปนหนดเนี่ยของดีๆเท่านั้นเลยอันนี้ก็สติปัญญาเหมือนกันแต่สติปัญญาที่รับใช้ความโลภและความหลงเห็นไม อันนี้เขาเรียกเป็นมิจฉาสติถ้าไปรับใช้ความโลภความโกรธความดุแต่ถ้าเป็นสัมมาสติสัมมาสตินะั้นจะต้องรับใช้อะไรรับใช้ศีลรับใช้สมาธิและรับใช้ปัญญาอ่าเป็นสัมมาสติและสัมมาสติที่เกิดยังไงความรู้สึกที่ถูกต้องจะเกิดจากไหนหนึ่งเกิดการเกิดการระลึกว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ขณะนี้ระลึกบ่ อ, ๆบอยๆนี่ที่เป็นสัมมาสตินะ จะนั่งก็รู้สึกจะยืนก็รู้สึกว่ายืนจะพลิกก็รู้สึกว่าพลิกจะหนักก็รู้สึกว่าหนักมันเบาก็รู้สึกว่าเบาไปเรื่อยเรื่อยอ ย, อย่างนี้แหละนี่เรียกว่าสั่งสมสมาสติถ้าเราสั่งสมมาแต่นูน่นนะแต่สมัยที่เราเกิดจนวันนี้เราไม่มีใครทุกข์เป็นหรอกแต่ส่วนใหญ่พอเกิดมาปั้งนี้ ไปแล้วจิตของเราไปถ้าแต่นู่นแล้วจนมาถึงวันนี้อายุเราเท่านี้เราเพิ่งมาพูดเรื่องนี้กันมันถึงยากไงเพราะมันลืมมาดานดังนั้นถ้าหากว่าลงมือเก็บเนี่ยถ้าจะมาเก็บเฉพาะเข้าคอสมายกมือสร้างเจาะไม่พอหรอกตัวนี้เป็นตัวอย่างเท่าน้มาเอาตัวอย่างมาเออไปทำอย่างนี้นะแต่สิ่งที่เราต้องไปเก็บจริงๆก็คือลุกจากนี้ไป ะไปไหนไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำกินข้าวไปเข้านอนเก็บละเก็บตั้งแต่ลูกเลยอันนี้ใหมอ่ะหมดเวลากับพรวดไปเลยนะัวใครตัรมันเรื <c oughs> ่องหมดเลยต้ง น, นี้ไปถึงที่นอนนะแต่คนที่มีความเข้าใจจะเริ่มได้สติอ๋อมันต้องรู้สึกตัวตลอด ออกไปลูกขึ้นในลูกอย่างไรก้าวเท้าไหนออกก่อนซื่อทำไมาเองเมื่อก่อนก็ไม่ได้ไรู้เรื่องนี้เป็นคนที่สะเพร่าจับจดเล่าร้อนรวดเดียวอะไรสารพัดอย่างได้รับวิบากกรรมมาเยอะนะตอนหลังมาเนี่ยเวลามีการผิดพลาดเกิดขึ้นมาจะได้รับโทษต่าง เขาทุบเลยนะถ้าเรา ร, รู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเราเผลอเนี่ยเขาทุบเลยแหละเนี่ยลงโทษในฐานะนี่รู้แล้วเผลอเราก็ยิ่งเ้ามาระวังมากขึ้นเลยทีนี้ดังนั้นเองเรื่องนี้มีมีเขาเรียกมีอานุภาพเีพุทธานุภาพจึงอยากจะให้ตั้งใจทำกันคิดว่าตั้งแต่นี้จนกระทั่งว่าเรา ตายเนี่ยถ้าทําไปตั้งแต่วันนี้เนี่ยมาว่าทันทันอยู่ทันอะไรทันที่จะถึงนิพพานนะทันที่จะถึงนิพพานแต่ถ้าไม่ทําเนี่ยทันเหมือนกันทันที่จะถึงอะไรทันที่จะถึงนรกกันเลยไปทันนรกพอดีแล้ว อะไรไฟสามกองโลกปูหลงมันไหมเดาเป็นเชื้อไม่ดับอะ่ะถ้าเรายังมีตัวนี้อยู่นะมีตัวตัวเผอยองมานเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มรู้สึกตัวตัวเผอมันก็เชื้อไฟตัวรู้สึกตัวเหมือนกับน้ําถ้าเราลดมันไปเรื่อยๆไฟนี้อาจจะไหม้คู่ขุนมาหลายคบหลายชาติแล้วก็ได้พอเราสาดไปทุกวันทุกวันมันต้องดับวันใดวันหนึ่งตัวที่รู้สึกมาที่ตัวนะไม่ใช่รู้สึกไปที่อื่น ถ้ารู้สึกวันที่นี่ก็คือไม่ใช่สมาสติละมันก็เป็นของสิ่งอื่นแต่รู้สึกที่มือแล้วคยจับอะไรนะ่กคอยยกม า, าถามว่าอะไรนะ่ะเอามาถามว่าอะไรนนะกจะไม่ถูก ทุกคนจับของคนชิ้นยุคนมาถามว่าอะไรหนักฮะคนใดมีมือไหมมีคนใดหนักไหมไม่หนักเพราะมันมีมือไม่มีมือเหมือนกันทำไมไม่หนักอะไรหนักอ่ารู้สึกหนักแต่ถ้าบอกว่าขาไมโครโฟนหนักนี่ถูกไหม ไม่ถูกเพราะมันไม่หนักเพราะเราไม่ได้จับมานหลวพ่อชาถามรู้สิทท่านนะหินนี่หนักไหมหนักมากขอรับมาถามว่าตอนนี้หนักไหมงงทีนี้หินไม่ได้หนักเพราะท่านยังไม่ได้ยกเลยยังไม่หนักได้ไงเพราะนขอรู้สึกหนักทั้งนั้นตัวตัวนี้เรียกว่าสัมมาสติคือมาดู ที่รูกนามเราไม่ใช่ไปดูของสิ่งนี้ว่าหนักหรือเบาแต่มาดูที่ความรู้สึกของเราเนีา <inte> ่เขาเรียกว่าสัมมาสติถ้าไปรู้ว่าอันนี้หนักเป็นมิจฉาสติถ้ามารู้เออความรู้สึกนมันหนักที่เป็นสัมมาสติแล้วความรู้สึกมันหนักมันเบาอย่างนี้มมนวันวันหนึ่งมีเยอะไหมเยอะมากแต่เราไปบอกข้างนอกหมดอันหนักมันเบาข้างนอกหมดแต่ความรู้สึกของเรามันหนักมันเบาไม่รู้นี่คือสาเหตุที่เราไม่ได้สัมมาสตินะไม่จะสัมมาสติ ดังนั้นวิธีฝึกเราจึงมานั่งทําอย่างนี้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้มันคุ้นถ้าหากว่าเราไม่ฝึกเนี่ยมันไม่คุ้นกับสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันก็ไหลไปสู่ของเดิมของเราของเดิมของเราที่เราคุ้นเคยมากๆตั้งแต่เกิดก็คืออะไรความรู้สึกความเคยชินความเคยชินไม่ต้องไปสอนกันยากเลยทําได้หมดมันไหลลื่นไปแต่ละวันมันเคยชิน มือนกระแสน้าที่มันไหลลงอ่าพอเทโจกเนี่ยไอ้ที่ว่ามันจะไหลขึ้นเนี่ยไม่มีมันก็ไหลลงดังนั้นตัวอายตนะเมื่อกระทบกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกพอรู้สึกเนี่ยมันจะทําให้จิตของเราพัฒนาขึ้นเนี่ยไม่มีมีแต่พัฒนาลงคือหมายว่ามันไหลไปตามความคิดนหละมันลงทีนี้เรายาจะกระทบแล้วมันรู้สึก รู้สึกดีขึ้นเนี่ยทำไงเมื่อน้ํำพอมันตก完了แล้วเนี่ยมันไม่ไหลลงแต่มันไหลขึ้นทำไงให้มันไหลขึ้นนึกออกไหมคุณต้นกล้าฝนตก完了แล้วทําน้ํำมันไหลขึ้นเนี่ยทําไงสูบกลับ <laughs> โอ้วันนอกไม่มีสูบนะโยมนะอ วันอกก็ได้เจาะมาก็ขุดดินกั้นทันทีเลยนะ้นําไหลขึ้นเฉยเลยทีนะี้น้ำไหลขึ้นกัน้นป๊อปพุทิยาท่านตรัสว่าสติเตสันนิวารณังสติเป็นตัวกั้นความไหลลื่นของความรู้สึกแต่ถ้าเรามองถึงรูปธรรมการที่น้ำมันไหลเนี่ยน้ําตาปีไหลลงตลอดวันหนึ่งในหลวงทำไมเห็นว่าน้ำไหลลง ทะเลเนี่มันมีประโยชน์นะมันน่าจะต้องเก็บกักเอาไว้ใช้ทั้งปีได้นีน้ำปากพนังเนีทำยังไงสร้างเขื่อนขึ้นมาใช่ไหมสร้างเขื่นขึ้นมาเขื่อนก็เลยเกิดไปทั่วโลกเลยหลังจากที่วิชาการทางด้านทเทคโนโลยีใด้านสร้างเขื่อนเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นประโยชน์ที่เนี่ย น้ำฝนตกที่ไหนก็แก้ไขได้แล้วนามาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่งประเทศไทยของเราเนี่นะก็มีเขื่อนตั้งหลายแห่งไม่พอต้องไปช่วยลาวช่วยพม่าสร้างเขื่อนเพื่อที่จะเอาพลังไฟฟ้ามาชใช้นนี่เหมือนกันเนี่ยจิตใจของเราที่มันกระทบตลอดเวลาแล้วก็มันพาใจของเราไหลตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราไม่มีเขื่อนกั้นเนี่ยจิตของเราก็ไหลไปสู่ โอค่าสงสารห้องไหลไปสู่ห้องของกลางเรียกว่ากามโอค่าไหลไปสู่ห้องความคิดความเห็นต่างๆเรียกว่าทิฏโขค่าไหลไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นสําคัญตัวเองไปเรื่องราวต่างๆเรียกว่าพระโอค่าไหลไปสู่ความเพลิดเพลินหลงไหลในต่างสิ่งต่างๆเรียกว่าอาวิชโชค่นะเป็นสีมหาสมุทรใหญเลย สี่มหาสมุดสมุดแหง่งกามสมุดมหาสมุดแหง่งทิฏฐิมาหาสมุดแหง่งอัตราตัวตนมหาสมุดแห่งความไม่รู้อเราก็จะวนอยู่อยู่นี้แหละดังนั้นการม า, ารู้สึก น, น้อยอย่างเนี้ยมันสามารถที่มือนกับเราโยนหินโยนดินไปทีลาก้อนละก้อนละ ก, อละกอ้อนลงไปในเขื่อนลงไปในสิ่งที่เราต้องการกั้นวันหนึ่งพอมันสูงขึ้นอัดแน่นขึ้นแน่นขึ้นการที่อัดให้มันแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรียกว่าสมาธิ การที่น้ํามันมาไหลรวมกันอยู่ด้านั้นเขาเรียกตัวรวมพลังของเป็นสมาธิเกิดสมาธิขึ้นมาเมื่อสติเป็นกั้นแล้วเมื่ออายตนะกระทบกัแล้วมันเกิดการรู้ขึ้นมารวมตัวอยู่เหนือเขื่อนเรียกว่าสมาธิเกิดพลังแล้วก็เราก็ติดตั้งเครื่องมอนิเตอร์หรือติดตั้งของฉบทาน กระจายไปใช้ตามต้องการเท่าที่จาเป็นเรียกว่าปัญญาเห็นไหมสติแบบนี้จึงสร้างศีล ส, สมาธิปัญญาขึ้นเราก็มาสร้างตัวนี้แหละสร้างเกือนแห่งสติมาสร้างสติสร้างสมาสติเราึงแต่ทำไมไม่ใช้อย่างอื่นนะทำไมต้องใช้ ย, ยกมื อ, อมกรรมฐานทาั้ง4ี่สิบกองกระสินก็1สิบอนุนสติก็สิบ แล้วก็กรรมฐานที่เป็นอสุภะก็สิบถ้าเมตตากมไม่หานอีกทั้งสี่สิบกองทำไมเอายกมือนี่คนก็จะสงสัยใช่ไหมทีนี้บอกว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้บอกกำหนดลมหายใจอเอาอนาปานาสติ ก็อ้างพระพเจ้าที่นียนะแต่พระุทธเจ้าตัดเพื่อในในวิถกว่าภิกษุทั้งหลายาไม่ว่าก่อนตัดสู้หรือหลังตัดสู้เราใช้อานาปนสติเป็นธรรมวิหารฟังให้ดีนะเป็นธรรมวิหารเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่เป็นเครื่องตัดสูอ้อ่านบาลีไม่ถูก่อนตัดสู้หรือหลังตัดสู้แล้วก็ตาม เราใช้อานาปนานสติเป็นเครื่องอยู่แต่ทำที่อามาใช้แต่ชลุคืออะไรสติประธานสี่สัมมาประธานสี่สอินทรียห้าพระห้าคุชฌงเจ็ดอะลัยมักคุยงแปดนะไม่ต้องไปแจกรายละเอียดอันนี้คือทำมันใช้ว่าโพธิปัจกียะทำทำที่เป็นเครื่องมือกันแต่แต่ชุแต่อา น, นาปนานสติเป็นทำเครื่องอยู่หมายควาะว่าแต่ชู้แล้วหรือไม่ได้แต่ชลุก็ใช้ ต้องหายใจอ่ะอะต้องหายใจแต่หายใจยังมีสติไม่สบาย น, นี่เราก็มาใช้นาปสนสติเป็ น, น, นพอหลวงพ่อเทียนเกิดขึ้นปั๊บท่านก็ใช้อย่างเขาเหมาือนการซ้ำพูโทโธหมาท่านบอกตั้งแต่อายุสิบเดถึงอายุสี่สิบหยังโกรธอยู่ตัดความโกรธไม่ได้จนกระทั่งท่านห น, นีจากบ้านสาเหตุมันเพราะอะไรเพราะปีนั้นท่านบอดทอดกระถิ่น ห้าวัดแต่ในช่วงฉลองกรถินเนี่ยแบ่งหน้าที่กับภรรยาก็าให้แม่ว่านเนี่ยเป็นคนเก็บเงินจ่ายเงินท่านจะเป็นคนรับแขกต่างบ้านต่างเมืองอย่างเดียวแต่พองานเสร็จทอดกระถิเสร็จพวกหมอลองหมอลำคนที่มาฉลองในงานเขาก็ต้องเอินค่าจ้างรางวัล แทนที่จะไปหาแม่บ้านกลับมาถามหลวงพ่อเทียนเอาเงินค่าหมอเราหลวงพ่อเทียนโกรธขึ้นหน้าเลยอะไรตกลงก็ไม่วันทำไมมาถามเรารู้สึกเสียหน้าก็เลยไปทอดกระถิ่นกลับมาแล้วก็มาบุญให้แม่บ้านบุญเช้าบุญเย็ดแม่บ้านก็เลยอดไม่ได้ช่วงบุญท่านแม่บ้านก็ไม่ว่าอะไรแม่บ้านก็กินค่าวด้วยกันว่าก็เปื่ยว่าโอโ้โหอุตสาหทอดกรถินทั้งห้าวัด คุณยังตกนลงอีกเลยใส่คำนี้เข้าไปอ๋อพ่อกินข้าวไม่ลงเลยวันนี้ก็ะทันคาจะโอ้พูดจริงไม่เฮียงเลยนะจริงเพราะขุนมัวเรื่องนี้มาหลายวันแล้ว <c oughs> ก็เลยภาวนากับตัวเองไอธิษฐานเลยถ้าความรู้สึกโกรธนี่ไม่หายไปเนี่ยฉันจะไม่เข้าบ้านนิ้วจะว่างเลย <c oughs> ไปหาที่ ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อดับของโกรกก็แรกก็ไปหาอาจารย์อื่นก็ทำทำใหม่สมถะอีกเหมือนเดิมแล้วแหละไม่ทํามานานแล้วจะไปทําอะไรอีกสมถทานก็เลยไปมาฝึกแบบขึ้นไปกับอาจารย์หลวงพ่อวันทองข้า ม, มาปฏิบัติกับหลวงพ่อมาหาปานอ น, นันโทที่สโุโขทัยที่ประเทศลาวก็ทําจังหวะช้าในะสมัยนั้นนะที่ทำไปแบบนี้ต้องหยุดก่อน เอาเข้าม า, เ, าเขาค่อยเข้ามาออกไปเอาคตั้งลงไปือจะลุกจะช้ามากและจะทานเข้าก็ต้องไปเป็นจังหวะจังหวะเหมือนกระตุนเลย มันเยินเลยที่มีาบอกเอ๊ะทำอย่างนี้เพื่ออะไรมันก็เหมือนเพ่งมันมันก็เหมือนสมถะ น, นั่นแหละบังคับท่านก็มาพิจารณาว่าทาเพื่ออะไรทําให้รู้สึกอ่ะทํามันไวมันก็รู้สึกนี่ท่านก็มาดัดแปลงไอ้จากที่ช้าๆเนี่ยมาเป็นแบบนี้มาเป็นเคลื่อนไหวแบบให้รู้สึกเท่านั้นจะช้าหรือไวไม่สําคัญจะให้รู้สึก ชัดๆพอท่านมาทำอย่างนี้ได้ไม่นานท่านว่าท่านเข้าใจธรรมะเลยคืนเดียวรวดเดียวเข้าใจทะลุหมดพอมาสอบอารมณ์กรรมฐานกับอาจารย์อาจารย์ก็รับรองวอ้ท่านคุณผ่านแล้วท่านผ่านพอรู้จักว่าผ่านท่านเข้าใจด้วยตัวเองจริงท่านก็กลับบ้านบ้านก็เอาความรู้ที่ท่านได้จานิมาสอนลูกสอนเมียสอนพี่สอนน้องอยู่ หลายปีพอเข้าใจพ อ, พอสอนอยู่สองปีเนะี่ยสอนเรื่องนี้มาสองปีก็ปรากฏคนทั้งหลายที่นิยมกรรมฐ า, านก็มาปฏิบัติกับท่านทีนี้ท่านเป็นชาวบ้านธรรมดาเวลาเข้ามาปฏิบัติที่บ้านก็ต้องเลี้ยงลูกกูเสือใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเงินทองร่อยหลอลงผู้วันพราคนมากินก ก, กินฟรีปฏิบัติฟรีไม่ได้เก็บอย่างที่เราทำกันปรกากฏโอ้อย่างนี้ไม่ไหวทัพย์สมบัตินี้อยู่บวชแน่ท่านบอกเอาทั้งนั้นฉันบวช บวชไปวินเทาบาตเลี้ยงโยมให้ยอยู่มาปฏิบัติว่าไงไม่แตดสินใจบวชเพราะนั่นบวชนี่บทชนีบวชมาปฏิบัตินะบวชมาเพื่อเอาวินเทาบาตมาเลี้ยงโยมให้ให้ยอยูปฏิบททัติวางหลังจากนั้นมาพระสอนมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีพศ100ท่านบรรลุเข้าถึงเรื่องพระสร500แล้วท่านมาบวชพสร0 2จะมาถึงพระ2 3เ ท, ท่านถึงมรณะภาพพูดเรื่องเดียวนี่แหละเรื่องความรู้สึกตัว ทำรู้สึกกลูรู้สึกนั่ให้รู้สึกให้ต่อเนื่องไปรู้โซ่ท่านจะเน้นทุกอย่างให้รู้สึกให้หมดนะจะรู้สึกตอนที่มาทำที่นี่นะอย่าจะลุกอย้านั่งอย่าย่างจะเดินใดๆให้รู้สึกส่วนความรู้สึกนี่ขใครจะชัดของใครจะทําได้ดีกว่านี่แล้วแต่ความพยายามแล้วแต่ความตั้งใจแล้วแต่สติปัญญาคนคนนั้นจะช้าหรือไวแต่คนไหนสติปัญญาไวก็ทําได้เร็วคนไหนสติปัญญา ปานกลางก็ทำได้ช้าตามลำดับแต่ว่าจะช้าหรือเร็วไม่ขอให้รู้ถูกต้องก็แล้วกั น, นะวันหนึ่งมันก็ไปถึงที่เหมือนกันน่ะใครจะนั่งเกวียนไปใครจะนั่งรถไปใครจะนั่งเครื่องบินไปก็ไปถึงที่เหมือนกันให้เป้าหมายที่ถูกต้องนะอันนี้คือความหมายที่เรามาตั้งใจทําและขณะที่ตั้งใจทํานี่ก็ไม่ต้องหวังว่าเราจะจะไปบรรลุมรรคผลในทางอะไรนะให้รู้ว่าเรา ทำปัจจุบันให้รู้สึกว่ามันโปร่งเบาสบายใช่ได้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดตัวตัวปีติตัวสุขตามลำดับแต่ทำไปแล้วรู้สึกมันไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุว่าทำไมมันไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายหาเหตุแก้เหตุแก้แกสิ่งนั้นออกไปกลับมาสู่ตัวความปกติเบาสบายทำไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมือมันก็จะมีอุปสรรคเพราะมันเป็นสังขาร ทีมันที่เราปฏิบัติแล้วก็ทาอยู่เี้ยเพียนเพื่ออะไรเพื่อนเพื่อแก้ไขเอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกไปแล้วรักษาสิ่งที่เราต้องการเอาไว้ทีนี้เราต้องเรือความโปร่งเบาปกติความปร่งเบาสบายไม่คิดไม่ปรุงแต่งร่างกายขอาปกติที่เราเพียนนี่เพื่อที่จะคอยแก้ไขปรับเอาสิ่งที่ไม่สบายออกไปสิ่งที่มันแต่เราก็ ไม่ได้ไปคิดอีกแบบหนึ่งว่าเอ๊ยก็อยู่เฉยๆสบายไปทำอะไรดีไม่อยู่เฉยๆก็ไม่สบายเดี๋ยวนั่งไปนานๆก็แบบปวดใช่ไหมหนักเมือ่อยง่วงมันไม่สบายพเพราะฉะนั้นที่ทำเนี่ยเอาความไม่สบายนั่นแหละเป็นอุบายในการสร้างตัวรู้สึกตัวเพราะขณะที่เราแก้ไขปรับมันก็จะมีการใช้สติใช้ปัญญาใช้การเคลื่อนไหวใช่ไม ตัวสติตัวัญญาก็เกิดขึ้นจากการที่เราแปลงตัวทุกให้เป็นตัวรู้ทุกต้องกำหนดรู้ในอริยสี่ทุกต้องตามรู้ทุกต้องกำงหนดรู้แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกเราเราไม่รู้ทุกเราก็หนีนั่งนี่ไม่สบายกันนีไปทางโน้นอยู่ตรงนี้ไม่สนุกก็หนีไปเล่นเรื่องนี้สนุไปเลเรื่องนะั้นหนีไปเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆ วันๆเราไม่จะหนีทุกข์อะเราไม่รู้ทุกข์แต่พอมาปฏิบัติกรรมฐานให้มารู้มันทุกเรื่องอะไรทุกพอปวดขาก็ให้รู้ปวดขาเปลี่ยนปวขาไปให้รู้สึกว่าการเปลี่ยนแค่นี้ได้นะสมาสติพอนั่งไปสภาพทุกอีกทีนี้ไม่ได้ปวดขาปวดอะไรปวดเท้าเปลี่ยนเท้าก็ปวดออกไปรู้สึกตัวได้สติอีก ทำไปสักพักหนึ่งเอาทุกขอีกที่นี้ไม่ปวดท้าปวดอะไรปวดหน้าแข้งเอาทุกขอีกก็เปลี่ยนให้รู้สึกตัวถ้าหากว่าเปลี่ยนโดยไม่รู้สึกตัวนี่ได้แต่ความสบายแต่ไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญานะเพราะมันไม่เกิดตัวรู้เพราะฉะนั้นในหลักของนิสัยว่าทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยคืออะไรสมุทัยคือปวดนั่นเจ็บนี่ทางกายก่อนนะให้รู้สึกทางกายกแต่แน่นอนเท่าทิ้งไว้นานามันก็ไปทําให้ใจปวด การที่ไปแก้ไขาบางบัดนั่เรียกว่าเป็นสมุทัยต้องแก้ออกไปสมุทัยต้องละใช่ไหมหน้าที่คือหมายความว่าความไม่สบายเนี่ยต้องละต้องออกทุกเนี่ยต้องทุกที่มันเป็นไม่สบายเนี่ยความรู้สึกมันสบายต้อง อ, ออกไปสมุทัยต้องละอนีิโลธต้องทําให้แจ้งหมายความว่าเมื่อมันหายไปคําว่านิโรธคือความวออรู้สึกนั้นหายไปก็ให้รู้ชัดๆว่าออมันหายไปแล้วนะอะ ให้รู้แต่ปัญหาไปได้วยความไม่รู้นี้ไม่เป็นนิโรดนะ่ะอันนี้เป็นความหลงหายไปค่ให้รู้เพราะนั่งไว้สักพักมันเกิดขึ้นก็ให้รู้อีกทุกต้องกำหนดรู้พอเปลี่ยนไปมันนิโรดปั๊บหายไปปั๊บนิโรดคือดับไปแล้วความรู้สึกไม่สบายดับไปแล้วก็ให้รู้สึกว่าดับไปชัดๆนิโรดทําให้แจ้งคือทําให้แจ้งชัดๆว่าให้รู้ชัดๆว่าตอนนี้ความปวดหายไปแล้วนะให้รู้ชัดอย่างนี้ อันนี้เอาเอาทางกายเป็นหลักกันนะว่าทางกายกันนะเพื่อถ้าไปพูดถึงเรื่องจิตเลยมันมันยังไม่ถึงเวลาที่จะ ก, กระตรงนั้นนี่มัดต้องเจริญหมายเขาว่ามัดคือหมายเขาปรับให้มันถูกต้องปรับให้มันปกติปรับให้มันเข้าที่กระทางต้องทําบ่อยๆเห็นไหมเดี๋ยวปรับยืเดี๋ยวปรับยื้ยอนี้งั้นจะปฏิบัติแล้วนั่งแช่อยู่งั้นนะอันนี้ไม่มีมัดเพ อ, อะไร เพราะมันไม่เจริญน่ะการปรับการแก้มันไม่เจริญเพราะเราขี้เกียจขยันทาแต่ว่าขี้เกียจรู้ฉเฉยไปอย่างไงนี่ขยันทำจริงจริงแต่ขี้เกียจรู้ขี้เกียจเปลี่ยนขี้เกียจปรับมันก็เลยแช่อยนั่งสมาธิทั้งวันมันก็ทำให้ได้แค่นั้นน่ะไม่ได้ปัญญาได้สมาธิความสงบความนิ่ง แค่แล้วใครจะมานั่งอยู่อนี้นตลอดปีเลยไม่ได้แต่ทุกข์ให้เห็นนี่มันตลอดมีตลอดปีเลยการแก้ทุกในการแก้ทุกนั่นแหละเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวปัญญาได้ร่างกายนี่มันเป็นทุกข์ให้เห็นเขาเรียกทุกขลักษณะถ้าหากว่าตัวร่างกายนี้ที่มันทุกข์ถ้าตามรู้มันก็จะไม่เข้าไปถึงจิตแต่การที่เราหนีไปเรื่อยๆ เ, เพราะเรากลัว มันเข้าถึงจิตแล้วเป็นทุกเวทนาเรากลัวอันนี้คือที่เราปฏิบัติให้ถูกต้องทนนีเรียกวปฏิบัติตามห ล, ลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักตลอดเวลาด้วยถ้าเราทําถูกมันจะตรงเป๊ะอริยสี่เลยไม่ผิดเพี้ยนเลยเป็นอริยสัจที่เราทํารู้ไปเลยไม่ใช่มาท่องมาจํามาคิดมาพิจารณามาวิเคราะห์วิจัยออจเอาตามความหมายไม่ใช่ทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาเลย ทุกกำหนดรู้แล้วก็รู้จริงๆเนี่ยรู้ว่าไม่สบายให้ตามรู้ไปไม่สบายแล้วทำไงมันมาจากไหนเน่ยพอไม่สบายเนี่ยค้นหามันอ๋อมันมาจากที่เรานั่งทับมันพอรู้สมุทัยแล้วสมุทัยต้องละแล้วก็ละเสียจอยนั่งทับมันเป็นนั่งทับมันนี่ลิศทาไม่แจ้งอ๋อตัวนี้ไอ้ความไม่สบายมันมันดับไปแล้วรู้ชัดๆทำไม่แจ้ สัพักเ น, นสมุทัยเกิดก็เปลนอีกมัดทาบ่อยๆทําให้มันจเจริญแก้บ่อยๆแก้อย่างรู้สึกตัวนะถ้าแก้แบบไม่ถ้าแก้แบบไม่รู้สึกตัวแก้แบบไม่รู้ไม่ชัดนีน่ไม่เรียกว่ามัเรียกอะไรมาไปเห็นหลังเสื้อคือคนหนึ่งเขีนมัดง่าย <c oughs> มันควรองมัดนะเออ <c oughs> เขียนประหลาดเดี๋ยวนี้เขามีคำอะไรดินนี่ที่อาศมศีนเขียนอมักขอฝ่ายมรรรมอวมักนั้นจืดแล้วเขียนง่ายมักง่ายเหมือนกันนะเออประหลาดคนทั่วเนี่มันเติตาดูมักง่ายคือมันทำมักให้มันง่ายๆอย่านี้นะอย่าไปให้ทำมันมักยากอย่าไปมักยากให้ทำมักให้มันง่ายๆทําปฏิบัติให้เป็นทางปฏิบัติให้มันง่ายๆตรงนั้นเนี่ยเขาจะสื่ความหมายแบบนั้น นี้มันจะได้ทั้งหมดเลยสติปัญญาสีก็อยู่ในนี้ ส, นสัมปัญญาสีพยายามถูกต้องก็อยู่ในนี้อิธิบาทสีก็อยู่ในนี้เราทำเนี่ยเป็นอิธิบาทได้เนี่ยในอาการเดียวมันรวมทั้งหมดเลยเป็นโพที่สามที่เจ็ดประการไม่ใช่ทาทีละอย่างได้อย่างนะเหมือนเราทานข้าวอะเคี้ยวข้าวเนี่ย อาหารเข้าไปเนี่ยมันมีทั้งหลายอย่างในนี้แต่เวลาเคี่ยวมันอยู่ในปากคำข้ า, ขาวคาเดียวเนอาหารตั้งหลายอย่างอยู่นะวิตามินทั้งหลายชนิดธาตุอาหารตั้งหลายอย่างอยู่ในคําข้าคําเดียวนั่นแหละแต่จําเป็นต้องแจงไหมมันนั่งแจงไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของนุ่นพวกนักวิทยาศาสาตรฟ์ฟู้ดไซน์มีหน้าที่วิเคราะห์วิสัยแต่เรามีหน้าที่กินให้มันดิ่มแค่นั้ น, เ, นเหมือนกัน ผู้วิเคราะ์วิจัยมาให้เราเรียบร้อยแล้วพระอริเจ้าและพระอนทั้งหลายท่านทําให้เราเราก็เอามาปฏิบัติเท่นั้นเองวันหนึ่งเราปฏิบัติได้ผลดีแล้วลสติปัญญาเร่องเหลือเฟือก็วิเคราะห์วิจัยส่งทอไปคนในรุ่นต่อไปก็ได้ไม่ว่าก่อให้ดับทุกข์ของเราให้ได้เสียก่อนจะวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้มันเป็นหลักเป็นฐานให้คนรุ่นต่อไปพระอริยเจ้าแต่ท่านก็ทําอย่างนั้นก็มีการ วิเคราะห์วิจัยพระธรรมวิโดขึ้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนพระธรรมวิโดมันเล็บเดียวเนาะเดี๋ยวนี้มันกี่เล่มเข้าไปแล้วสี่สิบห้าเล่มบาหลีแปดประไทยเก้าสิบเล่มก็อย่างนี้แหละแล้วก็สังขยาต่อไปเรื่อยๆนั่นหายควท่านนถวนั้นพทุกจะพ้นไม่พ้นก็สมมติว่าพ้นไว้ก่อนนะวิเคราะห์ออกมาผู้นักวิจัยแต่สมัยนั้นสังขยาณาเขาเลือกแต่พระะหันทำนะแต่ไม่รู้ทุกวันนี้เขาเลือกหรือเปล่าเขาเลือกแต่นักปรักมาทา อันนี้คือนอกเรื่องนะเพราะนั้นกลับมาในเรื่องก็คือว่าเครื่องมือในการแัสรู้คือโพธิปัจเจ้ธรรมแต่ตัวอานาปะาเป็นส่วนหนึ่งของโพธิปัจเจธรรมแต่ไม่ใช่ตัวหลักเป็น ว, วิหารธรรมไม่ใช่โพธิปัจเจ้าธรรมให้จำมาไว้เลยเพื่อเราจะได้ไมยึดติดเรื่องนั่งหับกาลุหายใจทันทีแต่พอมาทำอย่างนี้มันครบทั้งหมดเลยนะ แต่เราใช้หลักของการเคลื่อนไหวเพราะเหอะไรต้องใช้ใช้หลักการเคลื่อนไหวก็เพราะว่ามันชัดเจนแขนเนี่ยมันเห็นในยกมือลงแต่ลมหายใจสูนเข้าสูนออกไในเห็นไหมเห็นตัวเป็นก้อนเป็นแท่งออกมาไหมไม่เห็นนะแต่นี่เห็นเป็นก้อนเป็นแท่งเลยในยกมือขึ้นนะเนี่ยเห็นชัดใช่ไหมความรู้สึกก็ชัดฝ่าความรู้สึกที่เราหายใจเข้าออกนี่มีกี่ขนาด ที่รู้ได้กี่ขนาดหลักๆมีสองเยอะเข้าก็ออกแต่พอเรามายกเงี้ยมีจังหวักดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกา 1> 10 1ส12 1อ14 15งสบห้าแต่ถ้าหากว่าวิ่กี่แล้วนับเฉพาะเคลื่อนใช่ไหมที่รับหยุดบ้างทั้งอยู่ทั้งเคลื่อนคล่องกัอนอันนี้หยุดใช่ไหมนับละหนึ่งสองเคลื่อนสหยุดสเคลื่อนห้า เจยุดเคื่อน9้ยุดสเคลื่อน11บยุดสเคลื่อน13ยุดเคลื่อน15ยุด16เคลื่อน17จหยุด18เคลื่อน19ยุดสเคลื่อน21ยุด2ีเคื่อน 23สหยุด2ี่เคลื่อนย5ห้ายุด2ี่บเคลื่อน27ิจดุด่เคลื่อนย9เกหยมันถึงไวเพราะความถี่มันสูงอ่ะความถี่มันถึงยี่สิบเกิ้าคลื่นความถี่แต่หาจะเข้าออกแค่สองเคลื่นความถี่อ่าถ้าเป็นไอ แลมไปไงขายไม่ออกเลยนะสองสอ ง, สองกิกนี้นะสู้ยี่บเก้ากิกไม่ได้แล้วยี่สิบเก้าแลมไม่ได้เพราะฉะนั้นความถี่ความเร็วมันต่างกันเนี่ยความเร็วมันต่างดังนั้นเวลามาทําี้ให้รู้หยุดรู้เคลื่อนชัดๆแต่ไม่ต้องช้าก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันหยุดมันเคลื่อนชัดก็พออาจจะไม่ถึงยีิบเก้าบางคนได้แค่ ห้าบางคนได้เจ็ดบางคนได้ยี่สิบบางคนได้ยีิบห้าแล้วแต่ความถี่ของคนนั้นจะใครจะชัดกว่ากันเน้นที่ความถี่นี่คือเพราะเหตุไรถึงเอาการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยมาเป็นเพราะมันเป็นจังหวะที่แน่นอนชัดเจนไม่ไม่หลงง่ายอันที่สองของการเคลื่อนไหวคือไม่ต้องหลับตาลืมตาต้องกวามให้เห็นให้ชัดๆให้ตามันเห็น เพราะว่าอยนนายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสว่างทางปัญญาถ้าไปหลักมันเช่นเนี่ยปัญญามันก็เข้ามาเต็มที่แต่ที่มันทําให้คิดดำหนีปรุงแต่งพุ่งสร้างก็เพราะว่ามันไม่สักจะว่าเห็นนะใช่ไหมมันก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปอันนี้คือความยากของมันแต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเห็นบ่อยๆเข้ามันก็เห็นเฉยๆแหละมันด้วยการเห็นด้วยด้วยการคิดอหะทีนี้ สะดวกอันที่สามก็คืออีเยบทเนี่ยไม่ต้องมานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตัางตัวตรงรรงษิีมั่นไม่ต้องนั่งยังไงก็ได้นั่งอีบทไหนก็ได้ที่พานั่งกลางวันได้ถึงสิบท่าใช่ไหมแล้วก็มียกมือเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันที่สามสะดวกอันที่สี่เราเปลี่ยนได้เรื่อยๆไม่ต้องมาต้องนั่งหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมง นั่งสองชั่วโมงเดือันไม่ใช่สลับไปทุกระยะเพื่ออะไรเพื่อเอาตัวการเคลื่อนไหวการกําหนดรู้เป็นเครื่องมือในการสร้างตัวรู้นะไม่ไม่ต้องไปเพราะนั่งให้อดทนถ้าทําตามนั้นนมันจะตามใจมันจะเกิดความมักง่ายมันจะความไม่มีความอดทนอันนั้นเป็นเรื่องของสมรถะไม่ใช่วิปัสสนาที่นั่งคนนานๆที่ได้สามชั่วโมงข้างบนันเป็นสมรถะต้องการ สร้างตบาบะให้เข้มแข็งเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่อัตตาปีอัตตาปีก็ ต, ตาตาบะนี่ต่างกันนะตะบาบะคือต้องการสร้างความพละงหุ่นอทนสร้างสมาธิให้ให้แรงให้มีพลังเรียกวตาบะสามารถดูอะไรลุกเป็นไฟได้เลยแนะก๊สินไฟสร้างแก๊สินแต่อัตตาปีคือความเพียนเครื่องเผากิเลสไม่ได้สร้างพลังสร้างความเพียนเป็นเครื่องเผากิเลส ให้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยไปเผาความคิดความเกียดมามากับความคิดถ้ามันคิดเกลียดมันก็เกิดไม่ได้เอาตัวรู้สึกตัวนี่นี่ยที่เราทำความรู้สึกตัวให้ไปเผาเกลียดให้เกลียดดับถ้าหาว่าพลังเราแรงใช่ไหมตัวอาตมาปีเราแรงมันก็ไปเผามอดได้ไวกำหนดรูปั๊บไม่ปุ๊บเลยแต่วันนี้เป็นไงไม่ปุบันทีมหูด อาตาปีแข็งหรือยังยังไม่กล้านะเผาแล้ยังควรเฉยเลยนะล่องรอยอยู่เฉยเลยรู้เท่าไหร่ยังคิดอยู่เฉยนี่แสดงว่าตัวอาตาปียังไม่แรงพอถ้าเป็นไฟก็เรื่องไฟอ่อนๆเพราะนั้นต้องพัฒนาเป็นไฟแก๊สให้ได้ละก่าพลเพลินเข้าไปก็เผามอดทันทีเลยอันนี้ก็เลยอากาปีความเพียรที่ชนิดเผากิเลสไม่ใช่ความเพียรที่ไปเพ่งตบาบัตเพราะฉะนั้นนั่งนานๆเดินนานๆยืนนานๆคือ ท, าทําตบัตไม่ใช่ทําวิปัสนา ความวิพากษาก็คือสร้างตัวรู้เพื่อไปเผาตัวคิดทนเองดีเลวกว่าสะดวกนะดังนั้นการทําแบบเคลื่อนไหวนี้สะดวกหลายอย่างเราอย่าไปคิดเอง น, นะแต่จะมาอย่างน้อยพิสูจน์มาแล้วในปงรี่สิ 220, นะปีพศสองร้อยยนะ่สเมื่อก่อนามาเคยมาทําอยู่แถวสงขลานะสมัยนั้นทาสงขลาที่ระโนดในสองปี พระติตามอาจารย์พระอาจารย์กุวิตนักเขีนมานะันท่านเป็นคนชาวสงกรานต์ท่านย้ายจากนคะรนายกมาอยู่ที่ะละแม่ที่เไ อ, อทางระโนดนะนะชะแม่กือชะแมแล้มาก็เลยมาทำอยู่ที่ระโนดตอนนั้นเคยไปอยม่สโมโมาก่อนแล้วนะถ้าเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจดหนึ่งแปดที่สมโภค พอหนึ่งเก้าครบหลวงพ่อเทียนก็เลยอาจารย์กุวิทเนี่ยพาให้รู้จักก็เลยมัไม่มชอบทางใต้นี่ไม่ได้มานานที่สุราษฎร์เมื่อก่อนเป็อยู่แถวสันโมบินละบาทแถวชยาะมีหลายปีมีสมัยรุ่นสมัยนั้นก็อาจารย์มานะอาจารย์มหาพระทิ่อาจารย์พยองอาจารย์ชูชาติสมัยนั้นทำ อ, อาจารย์มิลัตพวกนี้นะ สมัยรุ่นนี้ไม่ไม่เหลือใหกจะทําสุขนี้เพราะฉะนั้นสมัยนั้นโอคนตั้งใจกันจริงจังดังนั้นในวิธีการอันนี้หลวงพ่อเทียนนามาเผยแพร่ทางใต้ไปที่สวนยางหักใหญ่หนนะที่มาสร้างสํานักอย่ที่นั่นท่า น, นสุราษฎร์เราก็มีกลุ่มปฏิบัติเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เไปแบบที่แพทย์แสงเทียนไปกันเป็นกลุ่มที่นครเนี่ยไปกันเยอะไปเจ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งเขาลูกน้องไป ในบริษัทลูน้องอรกว่าคนเวียนกันไปทุกเดือนเลยเมื่อก่นปฏิบัติเจ้านายพาไปก็ปรากฏว่าเวลาพักวันนี้โรงงานคนเนี้ยคนงานเด็กอยูกลกันทั้งโรงงานเลยงานปรากฏวดเลิกผลงานออกมาดีทํางานได้ผลได้กําไรดีขึ้นพ่อลูกน้องไม่ลักไม่ขโมยไม่อู้งานขยันทํางานซื่อสัตย์ ผลกําไรการประกอบการก็ดีขึ้นนะเขาก็ไปปฏิบัติกันดังนั้นเองวิธีการอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งไปมักผลนิพพานอย่างเดียวมุ่งเอามาใช้ชีวิตประจําวันให้มันมีความสุขให้ชีวิตมีประสิทธิภาพให้การงานมันดีสินธรรมมันดีความสงบสุขในะครอบครัวมันเกิดขึ้นความรักความสามัคคีมันเกิดขึ้นเพราะคนมีสติแล้วมันก็จะเริ่มดีจากนี้ไปก่อนนะต้องรู้จักแก้ปัญหาในครอบครัวในที่ทาํางานอะไรให้มันดีซะก่อน แล้วต่อไปเรื่องมากเรื่องผลเรื่องนิพพานก็เป็นไปเองต้องทำเรื่องพื้นพื้นนี่ให้ได้เมื่อคนมีสติแล้วมันก็จะรู้ถูกรู้ผิดรู้คิดว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่คนทุกว่านี้มันขาดสติขาดปัญญามันจะเอาจะได้อย่างเดียวอะไรที่มันจะได้มันก็เอาอะไรที่มันไม่ได้มันเอานะมันก็เลยทำให้โลกมันเป็นอย่างนี้นะ ดังนั้นเรื่องการเจริญสติอย่างนี้มันนี่ส่งครอบจักรวาลขอให้ทำกันแต่ว่าการมาฝึก5้าวันก็ดีเวันก็ดีขึ้มาเอาแบบเอาอย่างเอาวิธีการเอาความเข้าใจแต่สนามจริงของเราคือต้องไปทำที่บ้านที่ทำงานตั้งแต่เราอยู่ที่นี่ก็ฝึกใช้ไปเข้าห้องน้ำไปทานข้าวไปนอนไปทำอะไรก็ต่างให้รู้ไปเรื่อยๆถ้ามันเผลอมันพลาดมันผิดไปก็ช่างมันอย่ไป ไปวิตกกังวลโดยเสียใจผิดแล้วก็แล้วไปตั้งต้นรู้ใหม่มันเกิดมาดับตลอดเวลาพลาดแล้วก็แล้วไปตั้งต้นรู้ใหม่อันนี้พลาดแล้วพลาดเลยนะยาวเลยที่ไม่ยอดตั้งตน้นทันทีอันนี้มันมันมันไม่พัฒนาก็ตตูนั้นๆนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ได้นําเอาเรื่องโดยทั่วไปทั้งกลุ่มเก่ากลุ่มมาให้ฟังร่วมกันเพื่อที่ปรับฐานน่ะเดียวก็แล้วพรุ่งนี้ก็ลงฐานเดียวกันได้เลยนะ เรื่องรายละเอียดต่างๆในช่วงเช้าล้วก็ปฏิบัติกันต่อโดยเฉพาะยิ่งสถานที่ตรงนี้คิดว่าในจิตวันนี้จะขอฝนไว้ก่อนอยู่เพิ่งตกมันจะได้ใช้ข้างนอกได้สบายนะว่าตกก่อนหน้านี้เตยมที่ให้ตกเต็มที่เลยแล้วเราก็จะได้เรียกว่าทาได้ทุกที่ในนียในบริเวณนี้นะ ขึ้นมองมันเนี่ยทำได้ทุกที่เลยในช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงกลางวันแล้วก็ถ้าไม่ร้อนเราก็ ท, ทําง น, นอกได้ถ้าร้อนก็หลบไปในอาคารหน่อยก็ร้อนไม่นานตรงนี้เนาะฝ่าไม้มันพุ่งอยู่ก็ขออนุญาที่เราตั้งใจที่จะมาศึกษาปฏิบัติกันพี่น้องชาวใต้ทั้งหลายมี่อากาศมายากก็เรียกว่าให้มีความตั้งใจถือว่าเรามาเที่ยวนี้อย่างที่มาว่ามากัางวัน สร้างแหล่งชูใจใจตัวเองวาเรามาเที่ยวนี้มาสร้างบุญบารมีให้แก่ตัวเองนะให้เราให้ประเทศชาติของเราให้หลุ่คนจากภัยพิบัติต่างๆแล้วเราทั้งหลายได้สร้างบุญบารมีของเราให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเราที่เกิดมาจะได้ไม่ต้องทุกข์หมดทุกข์ในชีวิตนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ